พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าบหาลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่13ตุลาคม2556นณวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการมีชื่อเรื่องว่าภาวนาแบบพุท ธ, ธและพุโทโธ ถ้าพร้อมแนละ้วเดียวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังหลวงพ่อลงมากรุงเทพนานทีจะได้ลงมาที่หนึ่งแต่ทางญาติโยมนิมนต์หลวงพ่อมาที่วัดสุโารามหลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธเพราะเห็นว่านี้คือวัดต้นตระกูลต้นตระกูลของพระกรรมฐาน วัดอโศกรามมีท่านพ่ลีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นในขณะที่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาที่เป็นต้นตระกูลของพวกเราท่านก็ได้แนะนําสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่กงมาหลวงปู่ท่านพอลีของพวกเราหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตือหลวงปู่ฟั่น หลวงปู่เทศหลวงปู่เขาอันนี้คือลูกศิษย์ุ่นใหญ่แต่เมื่อหลวงปู่มั่นจุตินิรพานไปต่างคนก็ต่างอยู่ในเงียบสงบในยุคสมัยนั้นจากนั้นท่านพ่อรีของพวกเราอยู่แถบจังหวัดจันทบุรีเ้วก็รู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเคารพนับถือเลื่อมใส หลวงพ่อท่านก็สอนแนวแถวของหลวงปู่มั่นจากนั้นท่านก็ได้มาสร้างวัดอโศการามจากนั้นครูบาอาจารย์ทุกรุ่นที่ล่นพี่รุ่นน้องของท่านในยุคสมัยนั้นก็ได้มาพบกับท่านพ่รีของพวกเราสรุปแล้วก็คือท่านโพ่รีของเรานี่ในพี่น้องทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านโพ่รีของเรานี่ดังก่อนเพื่อนพูดอย่างนั้นได้นะไอ้ที่หลวงพ่อได้สืบประวัติมาตลอดนะ พ่อหลวงพ่อเองถึงจะเป็นพระลุ่นหลานๆก็เถอะแต่หลวงพ่อเองก็ในสมัยหนึ่งท่านพ่อรีของพวกเราท่านบวชพระกึกพุทธกาลกึ่พุทธกาลคือปี2500อท่านบวชพระ2500รูปอยู่ที่วัดอโศกา ร, รามแห่งนี้แล้วก็อย่างหลวงพ่อฟักหรือหลวงพ่อบุญกู้ ท่านก็ บ, บวชอยู่ที่นี่เป็นพระ2 5 0 5เหมือนกันแต่สำหรับหลวงพ่อเองบวชเป็นสนัมมาณีที่นู่นะที่มุกดาหารอยู่กับหลวงปู่ล่าหลวงพ่อก็เป็นเลน2อ0 5เหมือนกันน ะ, ะเป็นเนน2อ0 5ปี2500หหลวงพ่อบวชเป็นสนัมเาณีอายุ11เอ 11. อยย่าง12ปีพอจบปอสแล้วก็พ่อแม่ของมอบขึ้นผู้เจออ้าก็ ที่จังหวัดมุกดาหารบวชเป็นเนรของหลวงปู่าเพราะนั้นหลวงพ่อก็ได้บวชเป็นสัมเนรเกิ่งพุทธการเหมือนกันเป็นสัมเนรอยู่8ปีที่ภูเจ้ากอจากนั้นก็ปีศูนย์หลวงพ่อก็ได้บวชเป็นพระตั้งแต่บวชปีศ8ย์มาถึงสอง6ัน้ายห้าสเ่ลูกหลานนับดูซิว่าชีวิตของ ทั้งชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินทวเนี่ยฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี2อ0 0้าจนถึง 2,556 น้าห้าปีนี่แหล ะ, ะกี่ปีนั่นนะแต่หลวงพ่อบวชเข้ามาแล้วก็มีคนถามมันเป็นไงหลวงพ่อบวชเข้ามาหลวงพ่อโอ้ภา ค, ภ, าคภูมิใจอย่างมากชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อ ในชาตินี้ได้ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดไปเป็นที่น่าภาค ภ, ภูมิใจอย่างมาก เ, าเพราะว่าไม่ได้ทําความอะไรเสียหายมีแต่ประกอบคุณงามความดีเป็นพระกรรมฐานมาโดยตลอดอพออยู่กับหลวงปู่ล่ า, เ, าเป็นเวลา9ปีอยู่กับหลวงปู่จามาหลวงปู่จามมหาปุญโยที่เป็นหลวงอ า, อาหลวงอาของหลวงพอนะ่อหลวงปู่จามนะ สองปีไปอยู่กับหลวงปู่แหวนหนึ่งปีจากนั้นก็ศีพรนศาเขาไปอยู่กับหลวงตามหาบัวเป็นพรรษาที่หเป็นเวลาสิบสี่ปีจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ออกจากหลวงตามหาบัวไปสร้างวัดป่านาะคําน้อยอที่อยู่ทุกวันนี้นี่แหละชีวิตของพระของหลวงพ่อเพราะฉะนั้นขอให้คณะทาญาติโยม ทางหลายที่มานั่งฟังในวันนี้หลวงพ่อจะแนะนำหรือแนะนวแนว แ, นแถวของสายหลวงปู่มั่นเพราะว่ามีทุกวันนี้มีคณ า, าจารย์วัดจำนักต่างๆสอนมีมากหลากหลายวิธีการปฏิบัติวิธีการภาวนาแต่หลวงพ่อ สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อบอกว่าชีวิตของหลวงพ่อเองเป็นชีวิตมากับครูบาอาจารย์บวชกับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่เป็นส ม, มเณีจนถึงเป็นพระถึงขนาดนี้หละก็อยู่ในแนวแถวสายนี้มาตลอดเพราะนั้นหลวงพ่อเองเวลาจะแนะนำสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชน หลวงพ่อจึงแนะแนวสายแนวแถวหลวงปู่มั่นแต่สายอื่นถูกไหมถูกหลวงพ่อไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ดูถูก เ, เหยียดหยามสายนั้นสายนี้แต่ว่าเหมือนกับพิชาอาชีพในการแนะนำสั่งสอนพวกเราบอกกล่าวของมนุษย์ชาติมันมีมากหลากหลายทำไรก็ได้ทำนาก็ได้ ทำสวนอย่างก็ได้มันสำปะหลังก็ได้เข้าโพดก็ได้ถั่วเหลืองก็ได้มีมากสวนทุเรียนก็ได้ลําไยก็ได้เงาะก็ได้ถ้าจะไล่เลียงไปแล้วมีมากแล้วกับข้าราชการหลายหน่วยพ่อค้าประชาชนตำรวจทาหารพิพากษาอายการล้วนแล้วแต่เป็นวิชาอาชีพหาเงินทางนั้นแต่ทีนี้เราก็ถามว่าวิธีหาเงินทําอย่างไร เราก็ตอบว่าพิธีหาเงินมีมากหลายอย่างไปถามพวกที่ทำนาเขาก็ตออธิบายแบบหนึ่งเวลาทำสวนยางเขาอธิบายแบบหนึ่งเวลาทำข้าราชการแต่ละหน่วยแต่ละเหล่าเขาก็อธิบายอีกแบบหนึ่งทีงนี้เราจะไปทำทุกอย่างที่เขาแนะนำอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันทำคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่พวกเราได้ศึกษาอย่างหลวงพ่อได้ศึกษามาแต่เป็นสมณีน อ, อย่างที่ได้กล่าวให้กับพวกเราคณะทาญาติโยมโลกูกหลานได้ฟังได้ศึกษามาแต่ตั้งแต่เป็นสมณีนจนถึงปูณน์นี่แหละได้ศึกษาแต่หลวงพ่อได้ศึกษาดูแล้วได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วว่าการที่จะปฏิบัติ ถึงจะสายไหนก็เถอะจะเป็นยุคเนอพองนนอก็ดีแพ่งรวงแก้วก็ดีเรือว่ากาหนดเวทนาในการเคลื่อนไหวก็ดีหรือดูจิตใจก็ดีการล้วนแล้วแต่อยู่ในสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมถ้าเราได้ศึกษาดูให้ดีแล้วมันมีอยู่สีสีแนวทางคือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือจติปฐานสี ถ้าเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในจะสงเคราะห์เข้าตัวไหนสงเคราะห์เขาในกายกา ย, ยานุปัสนาสติปัฏฐานถ้าเรายกหนอก้าวหนอเดินหนออันนี้จะสงเคราะห์เข้าตรงไหนก็เข้าในสติสติปัฏฐานกา ย, ยานุปัสนาติปฏฐานแต่ถ้าว่าการมีการเคลื่อนไหวยกแขนให้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถ้าจะ สงฆ์ข้อเข้าจุดไหนสงฆ์ข้อเข้าเวทนานึก ป, ป, ปรัสนาสติปัฏฐานคือการเคลื่อนไหวการรู้สึกและให้กําหนดจิตเมื่อการเคลื่อนไหวของจิตเรานึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้อันนี้ว่าจิตตานุปรัสนาสติปัฏฐานถ้าว่าเราดูใจที่อารมณ์เข้ามากระทบเมื่ออารมณ์เข้ามากระทบเราก็ดีใจอารมณ์ที่พอใจเราก็ดีใจ อารมณ์ที่ไม่พอใจเราโกรธให้เขาอารมณ์โกรธเราก็เสียใจอันนี้เรียกว่าธรรมมานุปัฏนาสติปัฏฐานนี่แหละมันไม่เหนือออกไม่นอกออกจากสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ที่เข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติยาสับสนสรุปแล้วยาสับสนเราจะยึดแนวแถวไหนถ้าเราเป็นชาวนาเราก็ต้องเรียนวิธีทํา เวลาเราจะทำสวนยางเราก็ศึกษาเรื่องวิธีทำสวนยางถ้าเราอยากจะเป็นพิพากษาเราก็ต้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายทำยังไงจึงเป็นพิพากษาอัยการทนายความ เ, าเราก็ต้องเรียนในสายนั้นถ้าเราจะจะเรียนบัญชีเราก็ต้องเรียนถ้าเราจะเรียนหมอเราก็ต้องเรียนหม อ, อเมื่อเรียนหมอแล้วก็ เมื่อรักษาคนขึ้นมาเราก็ได้เงินเหมือนกันเวลาทํานาขายข้าวเราก็ได้เงินเหมือนกันเอที่ภากษาอายการเมื่อไปได้อว่าความไปแล้วเราก็ได้เงินเหมือนกันเพราะเงินเดือนออกมานี่สรุปแล้วเราจะไปทําทุกอย่างใช่ไหมพวกเราท่านทั้งหลายจะทําทุกอย่างเลยใช่ไหมชาวนาก็เป็นชาวสวนก็เป็นอข้าราชการก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอก็เป็น เราจะเป็นทุกอย่างอย่างนั้นก็คงจะไม่ใช่ล่สิะคงจะจับชายไปทั้งหมดไม่เก่งสักอย่างเลย เ, ยเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็เลยบอกกับคณะสัตยา ญ, ญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเอาเถอะหลวงพ่ออินเนี่ยศึกษามาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรวิธีการปฏิบัติวิธีการภาวนาหลวงพ่อจะแนะนาจะบอกกล่าวให้ฟัง แล้วก็จะเท้าความไปถึงอพุทธประวัติพระหลวงปู่มั่นเนี่ยถ้าท่านทำตามลำพังของท่านเราก็หลวงปู่มั่นทำถูกหรือทำผิดเออมันมีแนวทางไหมมีกระจกเงาไหมถูกต้องตามพระธรรมวินัยไหมถูกต้องตามพระไตรปิฎกไหม อ, อันนี้พวกเราก็จะสงสัยหลวงปู่มัน่นอีกเอาเอถอะเทนี่เราพูดยกย่องพุทธประวัติ เอาแนวแถวพุทธประวัติก่อนที่พระพุทธเจ้าอาจะได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านทําอย่างไรแนวความคิดเบื้องต้นทีแรกท่านทําอย่างไรอันดับแรกท่านปกครองราช ส, สมบัติอายุถึงยี่สิบเก้าปีเป็นพระเจ้าแผ่นดินจากนั้นท่านก็ได้ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายอันนี้หลวงพ่อพูดแบบพรวำรัด ให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังเมื่อเห็นคนตายจะนักก็เห็นสัมมาณะคือนักพจนักบวชพระ อ, องค์กขมาไข้ครวรทบทวนว่าชีวิตทั้งชีวิตถ้าแก่แล้วจะหาความสุขได้ที่ไหนแล้วเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะหาความสุขได้ที่ไหนเมื่อคนตายไปแล้วอะไรคือสาระของชีวิตชีวิตของเราอะไรคือเป็นสาระของชีวิตเมื่อตายไปแล้วทิ้งหมดทุกอย่าง ร่างกายของตัวเองเอาไปเผาไปทิ้งแล้วญาติพี่น้องวงศาคนา ญ, ญาติทรัพย์สมบัติทั้งหลายจดถามบรรดาศักดิ์ทั้งหลายจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ตายได้อย่างไรอันนี้พระองค์ก็มองดูญาติผู้ใหญ่ของพระองค์คือพ่อบรมวงศานุวงศ์ต้นตระกูลของพระองค์จนไล่เลียงกันมาโดยลําดับลำดับจากนั้นท่านาไปเห็นส ม, มณะส ม, มณะคือนักพรตนักบวชนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้ นั่งขัดสมาธินั่งหลับตาอยู่ตามลําพังเพราะองค์ก็ไปดูแลมองเห็นแล้วนี่ถ้าหากว่าเราได้ออกมาบวชอย่างสำมณะท่านนี้มานั่งค้นคิดคุ้นคิดผลทางที่ตัวเองต้องการคงจะรู้แนวทางได้เพราะไม่รับไปมีภาระอย่างอื่นแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในเวียงวังการบริหารจัดการ นะดูแลประเทศชาติดูแลพี่น้องประชาชนประสกนิกรทั้งหลายตั้งเวียงทั้งวังมากมายเราคงไม่มีความคิดที่จะคิดหาช่องทางได้เนี่แหละพระ อ, องค์จึงตัดสินพระไทยหนีออกบวชกลางคืน อ, อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือพระ อ, องค์พร้อมด้วยบุญวาสนาบา ร, รมีเก่าเต็มพร้อ ม, เ ต, มเตรียมเปลี่ยมบริบูรณ์ ยังคิดได้อย่างนี้แต่ถ้าว่าพราะพุทธองค์ไม่มีบุญบารมีบารมียังไม่เต็มเปี่ยมคงคิดไม่ออกถ้าคิดไปคงจะออกขยับไม่ออกขยับขาไม่ออกพอขยับออกไปก็คงจะห่วงบ้านห่วงเมืองห่วงลูกห่วงล้านห่วงสามีภรรยาห่วงใครต่อใครมันห่วงไปหมดนะเพราะกิเลสมันยังเป็นกาวติดแน่นอยู่แต่นี่พระพุทธเจ้าศีทธัตถานท่านมองดูแล้ว บารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์แล้วพระองค์มองโดยแล้วไม่มีอะไรที่จะล้างอยู่พระองค์ก่อนหนีออกกลางถึงนั่งม้าขันตกะกับนายชนะไปท่ากันสามชีวิต อ, ออกจากเวียงวังจากนั้นก็ไปบวชอยู่ที่แม่น้ำอโนมาณทีแขวงเขตแขวงกรุงราชคฤห์ทุกวันนี้เขาบอกว่า จากกรุงกระกระบินละพัฒมาถึงกรุงราชสักข์ตรงที่พระพุทธองค์ทรงผนวดนั้นน่ะที่แม่น้ำอโนมานาทีห่างกันประมาณ200กว่ากิโลนะไกลพอสมควร น, นะจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงถือแพทย์บวชก็สงให้ในายชนะกับเวียงวางม้าผลที่สุดก็ม้าก็ตายอพอรับตา อพอไม่เห็นสิทธิษฐขึ้นมานั่งบนหลังม้าก็อกแตกตายสิทธิษฐท่านชนะก็คงจะได้ห่อสิ่งของแล้วคงจะเดินกลับตามลําพังเอออันนี้ก็คือพุทธพุทธประวัติจากนั้นพระ อ, องค์อยู่ตามลําพังเมื่อทรงผนวดแล้วก็ใส่ทรงเครื่องสมณะอนักบวชในสมัยนั้นจากนั้นพระ อ, องค์ก็เลี้ยงชีวิตตามอัตภาพเอ ทดลองเป็นการทดลองทดสอบเหมือนกับเราไปสแสวงหาทรัพย์ประเภทไหนจะไปหาแร่หรือจะไปหาสิ่งไหนก็ตามเราจะต้องค้นคิดขุดคน้นตามที่ว่าดีที่สุดหรือว่าถูกต้องที่สุดเหมาะสมที่สุดตามที่ว่าเราต้องการอยากจะรู้ในจุดนั้นแต่ในศิษฐ์ทัตทะท่านก็ได้ทดลองทดสอบอยู่ดูเป็นเวลาทั้งหปีอยู่ตามลําพังจากนั้น ท่านปัญจวัคคีทั้งห้าคือไปจากกรุงกบิลพั์ก็ไปช่วยดูแลปลนิบัติสิทธัตถะอยู่ดูแลจากนั้นสิทธัตถะท่านกา็ทำความภาคเพียรตามที่ท่านเห็นว่าทุกที่ท่านจะพ้น ท, ที่ท่านจะรู้แจ้งเห็นจริงท่านจะทำอย่างไรจนถึงอดภกยาหาราทั้งสี่สิบเก้าวันพวกเราคิดดูซิว่า พระมาหากษัตริย์ถึงขนาดนั้นอดพระกยาหารถึง4ี่วันแล้วก็ทานอาหารพวกเราได้ศึกษาในพุทธประวัติแล้วพระพุทธองค์ไม่ได้เนียงดูดายในขณะ อ, อยู่ตามลำพังถึงหปีนั้นผลในส่กเนี่ยท่านก็ว่ากิเลส ท, ทั้งหลายมันอยู่ในกายท่านก็บำเพ็ญ เ, เพื่อจะให้ชำระกายให้ให้สะอาดเพราะเกศกิเลสอยู่ในกาย แต่พออดพระกระยาหารดูแล้วไม่ใช่กิเลสมันไม่อยู่ในกายมันอยู่ในอยู่ในใจฮะจากนั้นท่านกกลับมาสวยพระกระยาหารในช่วงนั้น่ะปัญจวคีทั้งห้าได้หนีจากสิทธัตถะแยกตัวออกไปจากนั้นพระ อ, องค์ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรพระ อ, องค์อยู่ตามลําพังเอทดลองผิดทดลองถูกทดลองผิด ทดลองในการประพฤติปฏิบัติของพระ อ, องค์อยู่ตลอดอพอได้สุดวันสุดท้ายที่ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้นะ่ะได้ตัดสู้อะไรนะที่ท่านทดลองมาถึงหกปีนะนะั่นน่ะวันสุดท้ายวันเดือนหกเพ็ดวันเดือน6กเพ็น่นนนน ะ, นะะที่ท่านนั่งอยู่ที่คโคลนต้นโพที่พุทธกยาวันนั้นนายโสติยะไปเกี่ยวย่าคาผ่านมาได้มอบยาคาให จิตทัตทะแปดกำมือจากนั้นพระองค์ได้เอามาเกลี่ยอยู่ที่โคลนต้นโพจากนั้นก่อนได้นั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่งคัตสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้วหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้น ในเมื่อพระ อ, องค์นั่งอตอนหัวคำ่ำในปฐมมสมโพธหรือในพุทธประวัติบอกว่าพระอาทิตย์ยังไม่อดสดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมเลยพอจิตใจไม่คิดถึงอดีตจิตใจไม่คิดถึงอนาคตใจของพระ อ, องค์พระไทยของพระ อ, องค์อยู่ที่ปลายจมูกพระไทยของพระ อ, องค์รวมสงบ พอรมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศน์เกิดฌานาลำลึกชาติผลหลังได้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละอันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าได้ญาณทัศน์เป็นครั้งแรกอันแรกเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้เพราะฉนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราสังเกตทีนี่ให้สังเกตว่า หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยเลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกทําไมถ้าหาว่าตายแล้วสูญพระพุทธองค์จะระลึกชาติทวนหลังได้ยังไงอันนี้เพราะท่านตายนั่ไม่สูญเกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายลาลึกชาติทวนหลังเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติพระ อ, องค์รู้อะไรวะนี่แหล ะ, ะเกิดมาแล้วที่สิ่งที่ให้เกิดนั่นคืออะไร จากนั้นพระองค์ก็นั่งสมาธิทําจิตใจให้นิ่งลงไปอีกดูอีกทีนี้คราวหน้าคราวนี้ดูคนอื่นทีนี่อย่างหลวงพ่อเนี่ยที่แรกก็ดูตัวเองแต่อนนี้ต่อไปเนี่ยดูดูพวกญาติโยมทีนี่แต่ละคนที่นั่งอยู่นอันนี้พระพุทธองค์นะวะจุตูปปาตยานคือได้ญาณทัศนะประเภทหนึ่งขึ้นมาอีกคือฌานขึ้นมาอีกจุตูปปาตญานคือดูสรรพสัตว์ทั้งหลาย สัพพสัตทั้งหลายทำไมไม่เหมือนกันเกิดมาแล้วทาไมไม่เหมือนกันคนหนึ่งร่ํำรวยคนหนึ่งยากจนคนหนึ่งขี่ไล่ขี่เละคนหนึ่งหูหนวกตาบอดคนหนึ่งร่ํำรวยคนหนึ่งสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คนหนึ่งก็เป็นบ้าไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นทําไมคนเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะพระ อ, องค์ก็มองดูแล้วอันนั้นคือกรรมกรรมคือการกระทํา ถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองไปในทางที่ดีถ้าใครใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะจะตามสนองไปในทางที่ชั่วเพราะฉนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอากคตังดุกตังเส้ยโยปัจชาตปฏิดุกตั ง, ยยตต ก, รตงกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้พวกเราท่านทั้งหลายเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละ กรรมดีและกรรมชั่วเป็นเครื่องสนองให้พวกเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นพวกเราที่ศึกษาธทำหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเราเน้นหนักกรรมชั่วนอย่าทำเสียเลยดีกว่ากายกรรมวจิจีกรรมมโนกรรมพวกเราไม่ควรทำํำจากนั้นพระองค์พอจวนสว่างพระองค์ก็ได้ดูพระไทยด้วยใจของพระองค์ใจของเราเกิดมาจากไหน มาเกิดมาถึงจุดนี้มาจากไหนมาเกิดพระ อ, องค์ก็ย้อนกลับไปดูไปดูตัวบอกเกิดของใจไอบอกเกิดของผู้รู้คือใจของพระ อ, องค์แต่ละคนเนี่ยมาจากไหนท่านก็บองเถอะว่าเกิดมาจากอวิชชาอวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะยาวิญญาณังวิญญาณ์นาปัจจะยานามารูปังสรายตนะปัสสาเวทนาพบชาติฉรามรณ์โสกกะปริเทวทุกข โ, โทมณสุ สรุปแล้วก็คือใจตรงนี้เกิดมาจากอาวิชชาคือความโง่เพราะเราโง่เราเจึงเกิดมาพออวิชชาปัจจะยาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณไล่จนถึงร้องห่มร้องไห้พิไรรำพันเนก่ยเพาะเกิดมาจากจุดนั้นเพราะนั้นพระองค์ใช้ตปัธรรมคือศีลสมาธิปัญญาทำอย่างไงใจตรงนี้จึงมาวเวียนไหวตายเกิดเพราะอะไรเพราะกิเลสกิเลสคือตัวไหนราคะ ตัวราคะตัวโทสะตัวโมหะตัวโลภโกรดหลงนี่แหละพาสัพพสัต์ทั้งหลายเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นพระ อ, องค์ก็ใช้ตปธรรมคือสินสมาธิปัญญาการกรองไตรตรองเผา ก, กิเลสเผาจิตใจของพระ อ, องค์เพ่งพิณิตด้วยอริยสัจสี่ด้ว ย, วยมรรคแปดสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น สัมมาส ม, มาธิเป็นปริโยสานจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนนั้นสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้า ว, วันเดือนหกเพ็นนั้นได้ตัดสรุปทำสามอย่างที่แรกว่าปุเพเนวาสานุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตายานพอจวนสว่างแลวอาสาวกยญาณญาณอย่างรู้ว่าพระองค์หมดกิเลสแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้ว ท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือญาณทัศนะของพระพุทธเจ้าแต่ท่านได้มาพูดเกี่ยวกับสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นของเราเปรียบเทียบที่นี่คล้ายๆกับ ว, ว่ามีบอหลมมครูขึ้นมาแล้วพวกเราก็สายหลวงปู่มั่นของเราเดินยังไงไปแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนไหมหรือว่าไปแนวไหน หลวงปู่มั่นของพวกเราท่านบอกว่าวิธีการนั่งภาวนา อ, อ, อันดับแรกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายคณะท า, ายาิรวมลูกหลานหลายวิธีทําทําอย่างไรถ้ามีโอกาสอย่างวันนี้ละ่ะ เ, เราจะมานั่งที่ศาลาแห่งนี้เราซนั่งที่สงบสงัด อ, อ, อย่าไปนั่งที่วุ่นวายเพราะนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงพายบาดแบกปลดเข้าไปอยู่ป่ารงพงไพไปตามถ้าตา ม, ตาม เงื่อมผาต่างๆอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาในประวัติของท่านโพ่อหลีก็เถอะท่านหลวงพ่อทองของเราก็เถอะหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาปัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่างๆถ้าเราได้ศึกษาในชีวิตชีวประวัติของท่านแล้วท่านจะเสา ะ, ะแสวงหามุมสงบอยู่ป่ารงพงไพอยู่ตามถ้าอยู่เงื่อมผายอยู่ป่ารกชัดอยู่ป่าช้าที่สงบสงัด แต่พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเรามีภาระทุกขการงานเราก็ควรจะสวัสดิหาที่สงบอย่างที่มาวัดอย่างนี้หละเรานั่งอยู่ตามเอกเทศอย่างนี้ละหรือว่าอยู่ในบ้านของเราเราก็หาหมุมสงบในห้องพระอา่าหรือดูในห้องของเราที่ไม่มีคู่คนแล้วก็ปิดวิทยุโทรทัศน์อา่าปิดโทรศัพท์ซะที่เราจะนั่งภาวนาโทรศัพท์ก็ให้ปิดนะ ก็ เ, เห็นอะไมันไม่รวยเร็วกระทันหันขณะที่เรานั่งสมาธิหรอกเพราะนัมันเป็นภาระมันเป็นเครื่องรบกวนสําหรับเราปิดไปก่อนอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใครจะโทรมาก็โทรมาเถอเออมันไม่เสียหายอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกวิทยุก็ปิดโทรลัดสัปิดโทรทัศน์ปิดาจากนั้นก่อนเนี่ยว่ายพระไหว้พระอรหังสวาขาโตสุปฏิปันโน แล้วก็ห น, น่อบนพุทธเจ้านมโมตัสสะพระกาวาโตอระหัตโตสมาสัมพุทธัสสะกล่าวนมโมสามจบแล้วก็พุทธังทำมังสังขังสรารนางังคัฉามิดุติยัมปิตะติยัมปิพุทธังทำมังสังขังสรารนางังคัฉามิเราได้ขนาดนี้แล้วถ้าได้มากกว่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราได้ขนาดนี้ก็พ อ, อ, อจากนั้นก็แผ่เมตตาพนมมือทําใจให้เนิ้งเนี้งทำใจให้สงบแผ่เมตตา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 เราพร้อมที่จะให้อภัยกับทุกดวงวิญญาณถ้าเราปลูกพยาบาทอาฆาตก็เท่านั้นก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเพราะต่างคนก็ต่างมาเกิดต่างคนก็ต่างตายไปเราก็เหมือนกันเราก็มาใช้กรรมของเราเขาก็มาใช้กรรมของเขาต่างคนก็ต่างมีกรรมของใครของเราถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองให้เขาถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองเขาเพราะนั้น เราแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกวิญญาณทุกดวงใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจากนั้นเราก็นั่งสมาธิและ้ะจึงขาขวาทับขาซ้ายปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกไหว้ครูซะก่อนเพราะการที่จะนั่งสมาธิทุกครั้งเนี่ยเราไม่ได้คิด อ, อไม่ใช่คําความรู้ของเราไม่ได้ความรู้ไม่ใช่ความรู้ของครูบาอาจารย์เป็นแนวแถวพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นเราจึง ปนมือไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนพุทโธคือพระพุทธเจ้าธรรมโมคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศมาบอกกล่าวให้กับพวกเราให้พวกเราได้รู้ได้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องพระธรรมเพราะฉะนั้นเราจึงไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆสมจบจากนั้นก็เอามือลง พออัดมือลงแล้วกาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําลูกศิษย์ของท่านครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านจะสอนบอกว่าให้ภาวนาพดโทหายใจเข้าพดหายใจออกโท ถ, ถ้าว่าเรากําหนดลมหายใจอย่างที่พระพุทธเจ้ากําหนดที่โคลนต้นโพนั้นมันหายได้มันหายมัน ห, นหลุด อให้ไขวมมันอยู่ไม่นานพอกําหนดไปมันก็หายปั๊บเอรียกว่าหายเร็วมันยึดไม่อยู่เพราะนั้นต้องสำทับด้วยพุทโธด้วยนะอันนี้หลวงปู่มั่นท่านบอกหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทโธพุทโธสรุปแล้วก็คือหลวงปู่มั่นใช้กรรมฐานสองอย่างพระพุทธเจ้าท่านใช้อานาปานสติคือกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก แต่อนุสติ10ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยคืออนุสติสิบคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอาณาปานสติมรณะนุสติอุปสมานุสติคืออนุสติสิบแต่หลวงปู่มั่นนำมาใช้สองอย่างคืออาณาปานสติกับพุทโธนะเพราะนั้นให้พวกเราอย่าแปลกใจ ว่ากรรมาฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่นํามาสอนมาบอกกล่าวให้พวกเราเนี่ยไม่ได้แปลกแตกต่างจากกรรมาฐานของพระพุทธเจ้าแต่เรานํามาใช้สองอย่างคืออาณาปานสติกับลมหายใจเข้าออกจากนั้นข้อสําคัญให้เราจริงจังนะจริงจังและจริงใจก่อนที่เราจะนั่งเราตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคืออธิษฐานคํานี้ก็คือความตั้งใจมัน่นให้มีความตั้งใจมัน่นอย่าไปทําแบบหล่อเลาะแหลๆ ถ้าลํารออๆแล้วแล้วมันจะไม่เห็นผลให้พวกเราตั้งใจมั่นว่าข้าพเจ้านั่งสมาธิในคราวนี้ข้าพเจ้าจะให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกให้มากที่สุดจะไม่ให็นเผลอถ้ามันเผลอข้าพเจ้าจะดึงกลับจึงกลับคืนมาจะไม่เผลอเด็ดขาดกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโผพุธโทพุทธโผพุธโให้ตั้งสติให้มั่นคงถ้าจะตั้งสติให้จดจ่อ ด้วยความตั้งใจจริงนั่นแหละพวกเราจะเห็นผลนี่แหละเมื่อเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธถ้ามันยังเผลอแสวบออกไปมันเอาไม่อยู่ให้เราบริกรรมพุทโธให้ถี่เเอาความรู้สึกของเราความนึกคิดของเราให้บริกรรมบอกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ยังไปบ่นออกปากนะเอาใจของเราให้พุทบริกรรมให้พุทโธให้ถี่สำทับอยู่ในพุทโธอยู่ในใจของเรานี่แหละอันนี้คือคืออันหนึ่ง แต่หลวงพ่อเองก็ได้แนะนํำสัตยาธิษยโยมหลวงพ่อว่าทดลองดูนะคณะสัตยาธิษยโยมหลวงพ่อปฏิบัติมาแล้วรู้สึกว่าได้ผลนะเห็นชัดเจนหลวงพ่อเองขอแนะนําคณะสัตยาธิษยโยมทดลองดูนะแต่ก็ไม่ผิดรับรองคือหลวงพ่อมั่นใจว่าไม่ผิดไม่ผิดตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนํามาหลวงพ่อว่าให้นับนะพวกพวกเราเนี่ยตั้งแต่เช้าจดเด็ด บางทีก็ได้เงินมาก่อนับนั่กนนับสีของนับนั้นนับนี้แต่บัดนี้ให้นับลมหายใจเข้าออกของตัวเองดูสิเวลาหายใจเข้านับหนึ่งเวลาหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหกแต่อย่าไปกลึงอย่าไปเกรงนะอย่าไปแต่งลมนะให้เป็นธรรมชาติที่สุดเพียงแต่ว่าให้มีสติสัมปชัญญะในลมในการนับลมหายใจเข้านับหนึ่งสองสมสี่ห้าด เ0ถึงร0 0พอถึงร0อยแล้วก็กลับมานับหนึ่งใหม่ถ้ามันไม่เผลอแสดงว่าสติสัมปะชญญะของเราดีในระดับหนึ่งถ้าไม่นับถึงร้ อ, อ, อมันไม่เผลอไปว่าหนึ่งนาทีกว่ า, วานะสติอยู่กับเราแต่ถ้าว่าพวกเรานับไปแล้วมันเผลอให้เผล อ, อยังไงเวลาหายหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่หนึ่งขี้สองคู่สาขี้ สี่คู่ห้าขี้หกคู่นี่แหละเลขขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่แต่มันจะเบลอเน่มันจะพอหายใจเข้าเน่เอาละทีนี้เออหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขขี้มันสลับกันแสดงว่าสติของเราขาดไปแล้วในช่วงนั้นเราตั้งต้นใหม่แต่เราจะไปดีใจนะว่ามันมันเผลอไปแล้วเออมันเผลอไปแล้วก็ช่างมันเออขี้เกียจแล้วก็นอนแล้ว่ะมันทาไมเป็นอย่างงี้วะ ถ้าเป็นอย่างนั้นไปนวัตสติของเราจะเลือนลางไปเรื่อยๆอัลไซเมอร์หรือว่าเออมันจะพกหลงลืมเข้าไปเรื่อยๆเท่นี้เพรา ะ, ะนั้นเราต้องพยายามตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกเออมันเผลอได้ยังไงงั้ให้มันเผล อ, อเสีหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองนับไปถึงร้อนี่ยแหละให้ตั้งใจใส่ใจเนี่ยแหละถ้าเมื่อเราใส่ใจอ ย, อย่างนี้แปลว่าเราเริ่มเริ่ ม, มฝึกหัดสติให้เข้มแข็งขึ้น เมื่อสติของเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ค่อยดีไปเองแต่ถ้าว่าเราสติตของเราเลือนรางล ะ, ละเลือนแล้วนะ่ะเออมันจะละเลือนไปเรื่อยเมื่อเท่าแก่ชรากระยิ่งละเลือนไปเรื่อยๆไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราใส่ใจในสมาธิเวลาหายใจเข้าเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยว่าสติตของเราดีขนาดไหนบางทีนับไปถึงสิบเด้วยซ้ําไปมันเผลอไม่รู้กี่ครั้ง เพราะนั้นขอให้พวกเราใส่ใจในการฝึกสติในเมื่อเราฝึกสติดีแล้ว เ, เริ่มฝึกสติสติของเราเริ่มดีเข้าเข้าที่เข้าทางนจากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความสงบระนทีนี้นะใจไม่เผลอออกจากจมกูกปลายจมูกของตัวเองใจของเราอยู่ในปลายจมกูกจากนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบ เ, เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเพราะมันไม่เผลินมันจะจิตใจเย็นวา่างเย็นสบายในความรู้สึกของเรา อันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธินะเริ่มเป็นสมาธิแล้วณที่นี้นะจิตใจของเราได้รับสมาธิขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิจิตใจของเราสบายเย็นสบายแต่เอาเถอะถึงจะเย็นสบายก็อย่าไปใส่ใจมันมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเป็นอนิจจังเหมือนกันหายไปไม่ต้องใส่ใจมันอีกเอ๊ะในช่วงนั้นข้าไปเจ้านั่งภาวนานมันสงบมีความสุขเลิศเกิด อยากจะให้มันเป็นอย่างเก่าอย่าไปคิดปล่อยมันไม่ต้องหามันเหมือ น, นเราทานอาหารเมื่อคราวที่แล้วเนะี่ยอาหาราครั้งก่อนก่อนเมื่อ ว, วานอาหารอร่อยมากเราจะเป็นลำพึงลำพันถึงอาหารที่เราได้ทานอยู่ตลอดเวลามันไม่ถูกเราต้องหาใหม่ลองต้องหาใหม่กำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ต้องคิดถึงมันอีกนี่แหละมันจะสงบใจของเราจะสงบพอสงบคราวนี้นะ่ะ จะเป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิคือสติกับจิตควบคุมกันใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้สติของเราทันเออทันเหตุการณ์ดูกับจิ ต, ตควบคุมจิตสติควบคุมจิตเออจิตจะไม่หิวไม่หัจิตจะไม่ทุรนทุรายจิตจะไม่ลุม่มหลงเผลอไผลไปทางอื่นจิตจะอยู่ในสติสติจุควบคุมจิตเออรู้อยู่ว่าจิตของเราใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้ สติของเราทันอยู่ตลอดอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธินะียเริ่มเป็นสมาธิเข้ามาแล้วนะท่นเอเมื่อเราใส่ใจจากนั้นพอเรานั่งไปอีกนั่งดูใจของเราอีกใจของเรามันจะรวมสงบออลงเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคำนี้เน่ยใจของเราเนยมันจะรวมลงบางคนก็เหมือนกระตกเขวตกบ่อบางคนก็เหมือนกระตกลงจากที่สูงบางคนก็เหมือนกันกเก บ, บกเหมือนกันกกบก เ, ก เ, กเราจะหลับอย่างนั้นแหละ ออมันเผลอแต่มันไม่เผลอนะมันรู้อยู่ว่าใจของเราอยู่ในสภาพเช่นไรจากนั้นพอใจของเราอยู่ในสภาพป่าจิตใจรวมสงบ ป, ปั๊บลงไปสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นใดจิตเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่บางคนพอนั่งเข้าไปแล้วมันหายมิดไปพอฟื้นขึ้นมาเอ๊ะเมื่อกี้น่ะหายไปไหน อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นว่าสมาธิหัวตอ่อ ال, แปลว่านั่งเข้าไปแล้วมันหายสลับไปไมันก็หายไปไหนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธินะไม่ใช่อัปปนาสมาธินะเป็นสมาธิหัวตอ่อนะเมื่อหัวตอ่อหัวตน้ตนต่อต้นไม้นะมันนัง่งจุกจุกปกอย่างนั้นะถึงจะมดจะตายถึงจะอะไรจะมาตายก็ไม่รู้จะว่านหลับก็ไม่ใช่เอ ال, แต่มันหายเนียบไปอันนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นให้ถอยกลับคืนมาซะก่อน ให้กลับมาหาอุปจารสมาธิแต่ถ้าวอรงไปจิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้อยู่ตลอดในขณะนี้ใจของเราอยู่ในสภาพไรแต่มันไม่รับรู้ทางกายนะจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิไม่รับรู้ทางกายกายของเราเนะี่ยจะได้ยินไม่จะไม่ได้ยินเสียงไก่เสียงนกเสียงหนูเสียงคู่เสียงคนเสียงอะไรไม่รับรู้ทั้งหมดเสียงรบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันจะไม่ได้ยินเพราะมัน ใจของเราไม่ไม่ออกไปทางกายไม่ไปรับรู้ทางกายแต่อุปจาระสมาธินี่ยังรับรู้ทางกายได้อยู่แต่ว่าไม่ไปตามไม่ไปตามความคิดเพราะสติของเราควบคุมรู้แต่สักวารู้ได้ยินแต่สักวาร้ยินไม่ได้ใส่ใจในการได้ยินเมตตา ด, ดูใจของตัวเองอันนี้คืออุปจาระแต่อัปปนาเนี่ยแปลว่า น, นิ่งไม่รับรู้ทางทางกายเลยเป็นอิจฉาดูนิ่ง รู้ว่าตัวเองอยู่ในสภาพใดในขณะนั้นแต่ไม่รับรู้ทางกายแต่นั้าเมืออจากนั้นกระถอนขึ้นมาตามกำลังสมาธิบางคนก็อยู่ได้นานนะบางทนก็ไม่ได้นานหนึ่งสองนาทีกระถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาก็เป็นอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นอัปปนาเพราะนั้นเรื่องจิตสงบอัปปนาสมาธิคานี้แหละถ้าว่าพวกเราใครก็ตามได้สัมผัสจิตใจ รวมสงบเป็นอัปปนาสมาธิไม่ต้องถามใครตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนตัวไหนพาไปเกิดตัวไหนสูนจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยว่าโอ้หลักธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้าสอนได้ชัดเจนจริงๆตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นตายแล้วไม่สูนบาปุญคุณโทษนระกสวรรค์มีจริงเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งอย่างนั้นแล้วเราจะรู้ได้แล้วว่าร่างกายของเราเนี่ย เป็นอันหนึ่งใจของเราเป็นอันหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถจิตใจของเราเนี่ยผัวผู้รู้ของเราเนี่ยเหมือนกับคนขับรถในขณะที่เรานั่งเข้าสมาธิหรือพระอรหันต์ที่ท่านเข้าฌานสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติท่านก็ติดเครื่องรถไว้แต่ตัวของท่านออกมาไปเข้าไปพักไปเที่ยวที่อื่นไปชมความบริสุทธิ์หลุดพ้นของท่านแต่นี่ใจของเราไปถึงขนาดนั้น ใจของเราก็มาอยู่ในความสงบดูในใจเอในสมาธิของเราแต่เราไม่ได้สัมผัสทางกายแต่นี่เรารู้ได้เลยว่ากายของเรากับใจของเราเป็นขนละอันกันแน่นอนเนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามโนปุพังคมมัมมาธรรมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจถ้าเราจะเปรียบเทียบให้ฟังอีกชัดเจนว่าเออ ในตัวของเราเนี่ เ, เราเปรียบเทียบกับร่างกายเหมือนกับรถแต่ใจของเราเหมือนกับคนขับรถเราจะบอกว่ารถของเราเนี่โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วโดวยโซเฟอร์แล้วสุดแท้าจบซเฟฟร์จะพาไปทางไหนรถก็จะไปทางนั้นถ้าหาว่าซูโฟร์ขับรถดีรถก็จะไปในทางที่ดีถ้าโซฟโอรอ์ขี่เมา ออแล้วก็ขับรถไปตกเหวตกบอก่อก็เป็นไปได้ทั้งนะั้นนี่แหละสรุปแล้วก็คือมโนคือใจสรุปแล้วก็คือร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่สองกายกับใจนา ม, มาธรรมกับรูปธรรมที่อยู่อาศัยกันอยู่คือโซเฟอร์กับรถเพราะนั้นพ ร, พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านให้ความสําคัญเรื่องของโซเฟอร์มากกว่ารถ ถ้าโซเฟอร์ดีโซเฟอร์ได้รับการอบรมดีโซเฟอร์ฝึกฝนฝึกฝนดีโซเฟอร์นั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดที่ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือโซเฟอร์ส่วนร่างกายของพระ อ, องค์ก็เหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าพระฒนยใจของพระ อ, องค์นั้นเป็นผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะในพระฒนยในใจของพระ อ, องค์ นั่นแหละขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมโคตรทันในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วถึงหลวงปู่มั่นท่านก็สอนนะท่านยกตัวอย่างหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างท่านท่านสอนหลวงตามหาบวัวชเองที่เข้าไปศึกษากับหลวงปู่มั่นออพอไปอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ถามไปไปไงมหาภาวนาโอ้จิตใจไม่สงบเอา้าเอาให้มันสงบสิภาวนาพุโทโธ พร้อมกับลมหายใจเข้าออกอย่าให้มันเผลอไปที่ไหนหลวงตามหาบัวท่านว่าเวลานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโถเวลาเดินจงกรมขาขวาพุดขาซ้ายโถเวลาปัดกวาดเวียงขวาพดเวียงซ้ายโถมีพดโถในทุกอริยาบทไม่เผลอจากนั้นใจขององค์หลวงตาท่านบอรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตเน่งมีความสุขท่านนั่งสมาธิ นั่งตลอดทั้งคืนก็ได้นั่งแตงแต่หัวค่ายันสว่างไม่ลุกเลยเอ่อด้วเออบางสาัปาห์นั่งตลอดเลยเอ่อบีกราบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกเออเอเอออกพิจารณานะใช้ปัญญาพิจารณานะ อ, อย่าให้สงบอย่างนั้นสงบอย่างนั้นไม่ดีหรอกอต้องออกพิจารณาเออแต่หลวงตาเข้าไปกราว่ามันไม่ออกครับเออมันอยากจะอยู่ในความสงบอยู่ตลอด หลวงปู่มัน่นเอ้ยมันไม่ถูกนะันะ้นน่ะเออต้องออกอสมาธิมันจะมีความสุขอะไรเหมือนกับเนื้อติดฟันเท่านั้นเองมันจะมีอะไรมันจะมีรสชาติอะไรต้องออกพิจารณาสินี่แหละหลวงปู่มัน่นท่านขู่ทั้งสองสามครั้งหลวงตายงึงได้ออกมาพิจารณาพอออกมาพิจารณาโอ้โหท่ายเราเป็นนอนตายอยู่ในสมาธิมันไม่เกิดประโยชน์อะไรน่าจะเดินวิปัสสนามา น, านนะ สมัทธาคือทําจิตใจให้สงบนะฟังเอานะทีนี่สายหลวงปู่มั่นของเราท่านบอกว่าสมาธิเนี่ยคือทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งแต่เมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายทีนะเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืด ไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าแยกส่วนแบ่งส่วนเออให้เรานึกคิดว่าร่างกายของเราเ่ยตั้งแต่หัวจดเท้ามีอะไรบ้างเออเราก็แยกออกมาเลยเออถอนผมออกกองหนึ่งขนทั้งหลายกองหนึ่งเล็บถอนไว้กองหนึ่งฝันถอดไว้กองหนึ่งหนังถลกไว้กองหนึ่ง เ, เนื้อเอาไว้กองหนึ่งเอ็นก็ดุกไวเป็นกองหนึ่งตับปอดลำไส้ แต่ละอ่านละอันแยกส่วนแบ่งส่วนให้เป็นกองของใครของเราเหมือนกับอาการสาสบสองอาการสามสิบสของร่างกายเราแบ่งส่วนให้เป็นส่วนเป็นของกองๆแล้วนับดูิชีใจอันไหนคือของเราตาของเราใช่ไหมที่เป็นก้อนอยู่นั่นที่เป็นกองอยู่นั่นหูเป็นของเราใช่ไหมจมูกเป็นของเราใช่ไหมลิ้นเป็นของเราใช่ไหมเอกยายเป็นของเราใช่ไหมหนังเป็นของเราเนื้อเป็นของเรากระดูกเป็นของเราใช่ไหม ไล่ไปดูซิว่าถามใจของตัวเองใจของเราก็ด้วยใช่ถ้ามันรวมกันก็คือของเราแต่ถ้ามันแจกแยกกันอย่างนี้แล้วจะเป็นของเราได้ยังไงไปเป็นคนคนคนละส่วนกันอันนี้แหะคือการพิจารณาร่างกายจากนั้นเราก็พิจารณากระดูกอีกก็ได้เออถ้าเห็นร่างกายเสร็จแล้วพิจารณากระดูกโครงกระดูกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไปเห็นโครงกระดูกที่ไหนจากนั้นเมื่อเราลั่งนั่งหลับตาแล้วเราก็นั่งดูตัวของเรา กระโหกของเรากระดูกที are. Are Yo ่สของเราเป็นยังไงกระดูกคอเป็นย you know? ังไงกระดูกขากรรไกรของเราเป็นยังไงกระดูกจมูกของเราเป็นยังไงเอ่อของเราเป็นกระดูกอย่างที่เราเห็นไหมเออกระดูกชี้โค้งของเราเป็นยังไงกระดูกหลังเป็นยังไงกระดูกแขนซ้ายแขนขวาเป็นยังไงกระดูกเชิงกานเป็นยังไงกระดูกขาเป็นยังไงขาซ้ายขวาขาขวาหัวเข่าเป็นยังไงกระดูกของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจใจก็ยอมรับว่าร่างกายของเราคือโครงกระดูก เ, เมื่อพิจารณาทึงโครงกระดูกแล้วก็ถามใจอีกว่าใจกระดูกของเราโครงกระดูกของเราเนี่ยจะอยู่นานไหมเป็นของเราใช่ไหมไม่นาน อ, อ, อย่างพวกเราท่านทัน้งหลายได้เห็นเดี๋ยวก็เผาคนนั้นเดี๋ยวก็พระราชทานเพลิงคนนี้ เ, เดี๋ยวก็ประชุมเพลิงคนนั้นเดี๋ยวก็ไปฝังหงสุ้ยคนนั้นคนนี้บ่อยๆ อ, อีกสักวันหนึ่งเราก็คงจะเป็นอย่างพวกเขาเหล่านั้นในเมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้ว อันไหนคือสาระของชีวิตอันไหนคือที่พวกเราจะยึดว่าเป็นเป็นตัวตนของเราร่างกายของเราแท้ๆ เ, ออเราเกิดมาว่าร่างกายเป็นของเราก็ยังไม่ใช่ของเราแล้วยังอื่นได้จะเป็นของเราได้ไหมใจ เ, เมื่อร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราสามีภรรยาลูกหลานวงศาคนาญาตพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเป็นของเราใช่ไหมใจใจของเราก็ยอมรับไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องปัจจัยอาศัยเท่านั้นแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องอาศัยเหล่านั้นแต่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราจริงๆมันไม่ถูกนะนี่แหละให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วนะสิ่งไหนก็ตามที่มากระทบเรา เ, ออเราจะไม่โกรธโกรธจน เ, ออเสียสูนย์เงื่อไงนะรักจนเสียศูนก็จะไม่มีโกรธจนเสียเสียศูนก็ไม่มีโลภจนเสียศูนย์ก็จะไม่มีเ ส, สมเสียสูนย์น่นคือคือเป็นบ้าเป็นบอเพ้วยความโลภ ค, ความโกรธความหลงเหล่านั้นออถ้าเราจะไม่ไม่เป็นบ้าเพราะอันไหนเกิดขึ้นมาแล้วก็จะพิจารณาในเมื่อพิจารณาแล้วก็พิจารณาตัวเองอีกพิจารณาถึงตัวผู้รู้คือใจใจของเราไปหลงอะไรไปหลงว่าเสียงเหล่านั้นเป็นของเราเป็นของตัวตนตลอดไปใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ ในเมื่อพิจารณาถึงเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจจอดจากนั้นเข้ามันไปที่ไหนแถมก็ปล่อยวางที่ใจเพราะใจของเราเนี่ก็บางทีอารมณ์เข้ามาที่เป็นที่พอใจมันก็ฟูขึ้นมาเป็นที่ไม่เสียใจมันก็มันก็หวั่นไหวอยู่ในในสองเหลี่ยมดีใจเสียใจดีใจเสียใจเสียใจดีใจเออเอศร้ามองผ่องใสเศร้ามองผ่องใสอันไหนที่เป็นที่พอใจมันก็ผ่องใส อันไหนที่ไม่พอใจก็เศร้าหมองในจิตใจนี่แหละใจของเราเป็นอนิจจังเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้ น, น, น, นม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะให้เข้าใจนะในเมื่อพิจรารณาถึงใจมันก็ปล่อยวางมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเมื่อเห็นกายเมื่อเห็นกายปล่อยวางที่กายจะไปยึดมั่นอะไรที่กายแต่ที่นี้นก็มายึดอยู่ที่ใจก็ปล่อยวางที่ใจเนะ่ นี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมแนวแถวสายของหลวงปู่มั่นท่านให้พิจนารณายอย่างนี้นะข้ศราชกาญาติโยมลูกหลานถึงพวกเราจะทําไม่ได้ก็ให้พวกเราฟังเอาไว้ว่าแนวแน ว, แนวทางแนวแถวสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านพาดาเนินอย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้จริงไหมเออถ้าว่าพวกเรายังมายึดว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราคนรอกก็เป็นทุกข์นะเอ้พวกเราเป็นคารวะทําอย่างนั้นไม่ได้แล้วหลวงพ่อเออช่ ถึงเราจะทำไม่ได้เราก็ฟังเอาไว้ก่อนเพราะเหตุไรเพราะอันนี้คือแนวทางเราจะไปยึดว่าร่างกายเป็นของเราอย่างนั้นใช่ไหมเออถ้าเรายึดแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่เราต้องการไหมร่างกายเนะี่ยมันชู ด, ดินน้ำลงไปแต่ตายสลายเราเป็นทุกข์กับมันอย่างนั้นใช่ไหมเราจะต้องการเป็นทุกข์กับมันอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทบทวนใช้ปัจิใช้ปัจจาใช้การพิจารณาทบทวน เาะาในหลักธรรมคาสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนนั้นสมัธิคือสมถะสมัะคือทําจิตใจให้สงบวิปัสนาคือกันกรองไตรตรองเหตุและผลจากนั้นเราก็ปล่อยวางที่ใจใครเป็นผู้หลุดพ้นใจของเราเป็นผู้หลุดพ้นใจของเราเป็นผู้ปล่อยวางพอปล่อยวางนั่นนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละนิพพานังปรมังสุขขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องหาที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานิพพานังปรัมังสูนอย่างนิพพานสูนสูนอะไรสูนเชื้อที่จะทําให้เกิดคือกิเลสราคะโทสะโมห oh ะสูนออกจากใจของเราแล้วด้วยตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาพวกเราได้กันกรองไตรตองดูแล้วจากนั้นก็นเราก็หมดไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็จบลงอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นขอให้คณะสัทธายาจโยมทุกทุกท่าน นวันนี้หลวงพ่อเองได้มาเห็นขันตัฏฐ า, า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเด็ดนําภาคปฏิบัติแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแนวแถวที่หลวงพ่อได้ประสบพบเห็นได้ศึกษาและก็ได้ปฏิบัติมามาขยายผลบอกกล่าวให้กับขันตัฏฐ า, า ญ, ญาตโยมลูกหลานได้ฟังแล้ะขอขอให้ลูกหลานขันตัฏฐ า, า ญ, ญาตโยมฟังแล้วก็นําไปการกลองไต่ตอง จากนลักทั้งนั้นก็นําไปประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อมั่นใจว่าหลวงพ่อแนะนําในคราวนี้ไม่ผิดเพราะหลวงพ่อจะไม่แนะนําเรื่องศีลเรื่องทานเพราะพวกเราเรื่องทานเรื่องศีลพวกเราก็พร้อมอยู่แล้วแต่เรื่องสมาธินี่มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงหลายอย่างแต่ละองค์ก็แนะนําไม่เหมือนกันองค์หนึ่งก็แนะนําเล่ห์เหลี่ยมหนึ่งองค์หนึ่งก็แนะนําเล่ห์เหลี่ยมหนึ่งแต่หลวงพ่อเนี่ยก็แนะนําพวกคณะสัตยาญาณโยมลูกหลานเล่ห์เหลี่ยมหนึ่ง แล้วขอขอให้พวกเราท่านทั้งหลายชอบใจหรือถูกกับจริตกับเล่ห์เหลี่ยมไหนก็นําเอาเล่ห์เหลี่ยมนั้นมาประพฤติปฏิบัติถะพวกเราฟังแล้วอย่างหลวงพ่อได้นําวันนี้โอ้เข้ากันไม่ได้กับหลวงพ่ออินพูดเนี่ยออผมเข้าไปเจ้าถูกถูกกับครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ที่ท่านแนะนําแล้วก็ติดตามไปได้แต่ถ้าว่าโอ้ใช่หลวงพ่ออินพูดนี่เออเป็นแนวแถวของหลวงปู่มั่นทิศหลวงพ่อได้ศึกษาและปฏิบัติมาเนี่ย เป็นไปได้แนวนี่ทำจิตใจให้สงบแต่บังคับตัวเองนะจะทําให้จิตใจสงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็นำมาพิจารณาการกลองไตรตรองเหตุและผลให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายมันอยู่ที่ใจทั้งหมดเรื่องทั้งหลายทั้งวปวงเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมทุกทุกท่านที่ได้ฟังทำที่หลวงพ่อได้กล่าวในวันนี้ วันนี้หลวงพ่อได้มาพบมาเจอคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนก็เห็นว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งในการกล่าวสมโภชนิยกรฐาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลาย ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลและธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านด้วยเทอญ